มันไม่งามยังไงก็พยายามจะปกปิดกรดเกลื่อนจนงามจนได้จนรคำว่าเมาให้มันเต็มที่ที่จะเมาได้ก็สุดยอดเท่าเท่าที่จะทําได้นะหวังว่าสักวันหนึ่งมันต้องดีกว่านี้จะต้องงามกว่านี้จะต้องคิดให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปชาตินี้ไม่งามช่างมันชาติหน้าต้องงามกว่านี้แต่มันก็คิดไว้แต่ว่าอย่างนี้ซะส่วนใหญ่การคิดแบบนี้แหละคือข้อปฏิบัติเพื่อสร้างวัตถะนะนะเพื่อสร้างกองทุกต่อไปเพะันโดยมากทั่วๆไปเขเรียกว่าไม่มีสติ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 อุปายาสังสารทุกข์ไหลสืบเนื่องไปไม่มีจบมีสิ้นคือเนื่องจากว่าเราเห็นแต่อัศธาเห็นแต่ความหวานชื่นที่เกิดจากการตามเพลิดเพลินว่างามการคิดว่างามเนี่ยมันมันรู้สึกดีในตอนที่เจริญตอนที่มันเกิดขึ้นตอนที่เพลิดเพลินนี้รู้สึกว่ามันดีแต่เราก็คิดถึงแต่ตอนต้นเราไม่เคยคิดถึงปลายหมายความว่าเราเห็นแต่โคนไม่เห็นปลาย ไม่เห็นยอดว่ายอดของความเพลิดเพลินเหล่านั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ความทุกข์เนี่ยนะอยู่ที่ความทุกข์นั้นถามว่าเพลิดเพลินรูปเท่าไหร่จะโสกปริเทวะทุกโทมนัสเท่านั้นจ่ายด้วยโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาทเท่านั้นเพราะพื้นฐานปกติของมันก็คือสิ่งที่มีชาติชรามรณะอยู่แล้วอันนี้คือปกติของรูปประคันรูปประคันจะเมื่อไร่ที่ไหนอย่างไรก็ชาติชราและ มรณนะแต่สําหรับผู้หลงเพลิดเพลินเพลิดเพลินจะด้วยอะไรก็ช่างเถอะความเพลิดเพลินอนั้นคืออาหารที่อร่อยหรือปุ๋ยของโสกกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตปุ๋ยแห่งสังสารวัตปุ๋ยแห่งสังสารทุกขที่นี้การศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเราต้องพยายามก็ทวนครั้งหนึ่งว่า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 เพราะเราก็คิดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคิดมาตั้งกันเล็กแต่น้อยคิดมาหลายพบหลายชาติแล้วมันก็ไม่ได้ประสบความสุขอะไรมีแต่ทุกข์อยู่ร่ําไปเอาเถอะเราทั้งหลายมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกข์อย่างลงแล้วทำชฉไหนกะาร ท, ทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีจะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ยอมรับแล้วว่าไอ้วิธีการของเรานี้ไม่ดีในตอนท้ายดูดีในตอนต้นเริ่มต้นแหมมีความสุขมากดีมาก ฉลองกันหน้าดูเลยใช่ไหมแต่ตอนจบนี่สิอะไรนะตอนตอนวันเกิดใช่ไหมโอ้ฉลองกันหน้าดูแล้ววันตายแล้ววันโศกวันเศร้าอนะวันเกิดนี่โอ้ฉลองกันทุกปีเลยนะแต่วันตายก็เรียบร้อยเนี่ยนะคือวันเศร้าวันโศกะปริเทวทุกขโทมนับและอุปาญาตวันวิปโยควันมหาทุกเนี่ยนะ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 กระดูกที่กองทับถมอยู่ในโลกเนี่ยนะเพิ่มพูนปัจพีที่เป็นต่าช้ามากกว่าเขาเวปุระบรรพศ ต, ต่อ ก, กับหนึ่งเราก็รู้แล้วว่าเป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อสร้างทุกข์จุดจบของความเพลิดเพลินในรูปประคันก็คือวัตถุทุกสังสารทุกข์อบายทุกติวินิบาตนรกทั้งมวลเหล่านั้นก็เกิดจากการตามเพลิดเพลินรูปประคันถ้าเรามองเฉพาะแค่ตอนต้นตอนเพลิดเพลินตอนมัวเมาตอนมี ชันทราคาใ น, นเราบอกไม่น่าจะมีโทษอะไรเลยมีอุปมาอันหนึ่งพระองค์ตรัสว่าน้ำนมที่รีดใหม่ๆถ้าดูธรรมนาก็เหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเก็บไว้สักสามวันไปแล้วจะเป็นยังไงอานะอาหารตอนประกอบเสร็จนะกลิ่นหอมกลุ่นอาหารถ้วยนะั้น่ะเก็บไว้สักสามอาทิตย์่ะนะจะเป็นอะไรเฮ้ยมันาไม่เรียกอาหารแล้ว เปลี่ยนสภาพไปตั้งนานแล้วชันใดก็ดีความเพลิดเพลินเหล่านั้นก็เหมือนกันพระองค์ตรัสวา่าโสอะไรนะความรักเนี่ยนะชันธราคะเนี่ยมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตเป็นผลนั่นเป็นผลแห่งฉั้นธราคะนั่นเป็นผลแห่งความรักนั่นเป็นผลแห่งความเพลิดเพลินนั้นถ้าเพลิดเพลินเท่าใดก็ต้องจ่ายด้วยโสกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปาญาต ความเพลิดเพลินเหล่านัน้นเหตุแห่งทุกทั้งภพนี้เป็นเหตุแห่งทุกทั้งภพหน้าเป็นเหตุแห่งทุกข์ในวัฏฏะต่อไปนะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าความเพลิดเพลินของเราเนี่ยนะการเจริญฉันทราคะของเราการเจริญสมุทยัยสัจจะของเราเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนวัฏทุกข์เป็นการเพิ่มพูนพพสังสารทุกข์เราก็ต้องพยายามมองให้มันตลอดสายอยู่ตลอดเวลาทําความเข้าใจว่าเพลิดเพลินเมื่อใด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 มันก็คือสภาพที่เป็นอสุภะทีนี้ถ้าเราตามเห็นแบบหลอกหลอกตัวเองตลอดเนี่ยนะหลอกตัวเองตลอดว่าสุภะสุภะสุภะหลอกตัวเองหลอกจนเชื่อสนิทใจว่าสุภะจริงๆเลยนะเราก็รู้แล้วว่าจบที่ไหนจบที่การเพิ่มพูนปฏตปีที่เป็นป่าช้าเนี่ยนะเพิ่มพูนอบายทุกคติวินิบาศนรกเพิ่มพูนสังสารวัตรเพิ่มพูนสังสารทุกเรารู้แล้วว่าจบแบบนั้นอันนี้คือเจริญแบบเราคิดแบบเรา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 พระองค์ตรัสว่าไงนะเ้ากายนี้เป็นที่ประชมแห่งภูตรูปสี่ดินน้ําไฟลมมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดจเจริญด้วยข้าวสด ข, ขนมสดต้องอบต้องนวดต้องฟันอยู่เป็นนิดเนี่ยนะก็ดูภาระในการบํารุงเลี้ยงดูร่างกายนี้ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะยิ่งเลี้ยงยิ่งเดือดร้อนยิ่งดูแลยิ่งลําบากไปชาไปโรงพยาบาลสง่งมาโอ้ยรประป่วย พระก็ป่วยเหมือนกันเดี๋ยวพระก็ตายเป็นนะเนี่จะว่าแต่โยมป่วยตายเลยเหมนกันพระก็ป่วยพระก็ตายเหมือนกันนั้นก็ที่อหมอก็ยังตายเลยหมอก็ป่วยหมอก็ตายเนี่ยนะแล้วใครจะไม่ตายบ้างเพราะศาตร์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีเมื่อชีวิตเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยมีอ่ามีอ่ะเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดมีบิดามารดาเป็นแดนเกิด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 ชีวิตนี้ขาดลมหายใจได้นานเท่าไหร่ห้า น, นาทีนี่แย่เลยนะห้านาทีนี่สมองเรียบร้อยแล้วหมดสภาพแล้วสามนาทีนะเอาพิ่ห้านาทีแล้วให้มันเต็มที่แล้วก่อนว่าไม่รอดแน่ขาดลมหายใจสามนาทีห้านาทีนี่ก็เรียบร้อยแล้วเนี่นเกิดตั้งนานแล้วเหมือนกันนะเกิดตั้งหลายขณะจิตเรียบร้อยแล้วพันชีวิตนี้อยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกมันลมหายใจเข้าออกนั้น่ะ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 นอนมีเมื่อใดบ้างที่เราไม่อยู่ด้วยอิริยาบถสี่มีไหมก็อย่างที่ว่าโทษของการเปลี่ยนอิริยาบทไม่สม่ําเสมอคืออะไรโรคทั้งหลายเนี่ยนะโรคทั้งหลายมีการเปลี่ยนอิริยาบทไม่สม่ําเสมอทั้นชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจแล้วก็ชีวิตเนื่องด้วยอิริยาบทสี่ที่ไหลไปเป็นไปเมื่อมีอิริยาบทสี่เนี่ยนะความเป็นไปแห่งรูปประคันเหล่านี้ก็มีอะไรมีไปมีมามีแลมีเหลยวมีคู่มีเหยียด เนี่ยนะมีอะไรมีคู่มีเหยียดมีการนุ่งห่มมีการกินดื่มเคี่ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะมีการหลับตื่นพูดนิ่งแล้วขยับเป็นไปชีวิตก็เป็นไปอยู่อย่างนี้ถามว่าถ้าแยกแยะแล้วคืออะไรก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับท้งปืดม้ามปอดลำไส้สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศรีรษะเนี่ยนะน้าดีน้า สเลปน้ำเลือดน้ำหนองน้ำมันค้นน้ำมันเลว้น้ำไขข้อน้ำน้ำตาน้ำมูดน้ำลายน้ำไขข้อแล้วก็ปัสสาวะลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลงในช่องท้องลมในลำไส้ลมหายลมพัดทั่วสารพรางกายลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาศัยไออุ่นคือเตโชธาตเตโชธาตที่ทาให้ร่างกายอบอุ่น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 ลำบากเลยนะทีนี้อันนะฟันเนื้อถ้าถ้กเนื้อเนี่ยงองไงมีปัญหากล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อทุกส่วนมีปัญหาหมดเอ็นมีปัญหากระดูกมีปัญหาเยื่อในกระดูกมีปัญหาตับไตไส้ปอดเป็นต้นพวกนี้ถ้าเริ่มดินเหล่านี้มีปัญหาเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะอันนะนมนตราได้แล้ว <c oughs> นี้ต่อไปอนะนะถ้าธาตุน้ำมีปัญหาเช่น อาโปธาตุกรรเริบอะไรจะเกิดขึ้นก็ตายถ้าเตโชธาตุกรรเริบสมมุติถ้าร่างกายของเราเนี่ยนะสักความร้อนขึ้นสักห้าสิบองศาเป็นยังไงโอ้ยตายตั้งแต่สี่สิบกว่าแล้วใช่ไหมถ้าขึ้นถึงห้าสิบนี่ตายตั้งนานแล้วเหมือนกันแล้วก็ถามว่าแล้วธาตุลมอ่ะทางธรรมะก็บอกว่าลมตัดขั้วหัวใจได้ขาดเนี่ยนะก็คาว่าตัดขั้วหัวใจขาดนี่หมายว่าอะไรเช่นมัน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 เันคนที่เจริญกายานุปัสสนาสติปฐานจะไม่มีถ้ามีสติจริงก็ไม่เผลออย่างนี้ไม่เผลอว่ากายจริงๆสภาพแห่งกายที่แท้จริงนั้นเขาเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นฐานสมมติรูปประขันเนี่ยนะถ้าเราถือมั่นตามเห็นว่างามอยู่เสมอมันจะงามได้จริงอย่างที่เราตามเห็นไหมบอกไม่เห็น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 ขะอุจาระปัสสาวะนี่ก็ยังไปเรียราดไว้ทั่วประเทศหมดเนะใช่ไหมเอาเข้าไปห้องน้ําไปเรื่อยเปยื่อยใช่ไหมกระจายไปทั่วไปหมดใช่ไหมลงเริงอันนี้นี่ส่วนหนึ่งนะแล้วแบบอะไรนะเช็ดล้างผิวหนังเป็นต้นเนี่ยนะหนังก็โอ้ยลอกไปทั่วไปหมดนะอาบน้ําที่ไหนก็ลอกผิวหนังทั่วไปหมดเลยนะแปลงฟัน น, นะนะแปลงกระจัดกระจายทั่วไปหมดในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็กระจัดกระจายถ้าตั้งคําถามว่าเราคิดแบบเรากับคิดแบบพระพุทธเจ้า ตามเห็นแบบเรากับตามเห็นแบบพระพุทธเจ้าต่างกันตรงไหนตา่ตางกันมากพระองค์บอกว่าถ้าตามเห็นโดยวิธีที่พระองค์สอนทั้งสิบสี่วิธีจเจริญนั่เราวลมหายใจเป็นเบื้องต้นกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดถ้าตามเห็นอย่างนั้นพิจารณาเป็นภายในบ้างพิจารณาเป็นภายนอกบ้างพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นแห่งกายบ้างพิจารณาเห็น ธรรมดาคือความเสื่อแมแห่งกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อแมแห่งกายบ้างอยู่ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่อย่างนี้ได้ถ้าเจริญตามนี้ได้พระองค์บอกว่าจากทำอนาคามีผลอ่ะก็บอกว่าอารหัตผลในปัจจุบันถ้าไม่บรรลุอรหันต์ก็เป็นถ้าอนาคามีคือขอให้เจริญอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าเพราะฉะนั้นอันนั้นคือผลของการเจริญตาม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 พระพุทธเจ้าขนาดไหนแล้วเรายอมรับแค่ไหนว่าผู้ที่เจริญตามนี้เขาทําที่สุดแห่งทุกได้ในเบื้องต้นทํา ไ, ได้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าเรายอมรับเราเข้าใจเรารเราพยายามที่จะคิดตามท่านไหมเราโอนไปหาท่านไหมหรือว่าให้ท่านโอนมาหาเราอ่า น, นเราก็ต้องโอนไปหาท่านก่อนเพราะวิธีของเราศึกทำมาตั้งนานแล้วใช่ไหมทำมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วเราก็ยังเฝ้าขันท่าอยู่ตามเดิมของเรานี่แหละ เลี้ยงดูขันห like <talk ing ember árias> ้า huh ยิ่งเลี้ยงดูยิ่งเดือดร้อนนะตอนแรกก็ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเลี้ยงดูก็ไม่ได้สูงเท่าตอนหลังอ่ะตอนหลังยิ่งยิ่งเลี้ยงยิ่งสูงเหมือนกันแต่ยิ่งเลี้ยงยิ่งเดือดร้อนเนี่ยนะเพราะขันห้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นพาระนะท่านบอกว่าพาราฮาเวปันจากขันทาเนี่ยนะขันห้ามเป็นพาระเนอรพาราแปลว่าของหนักแบกดูเถอะคนละห้าหกเจ็ดสิบกิโลเนี่ยนะแบกขึ้นแบกลงแบกเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยนะโอ้ย ทำไมออกกําลังกายด้วยยิ่งเดือดร้อนมากกว่านี้อีกนะแล้ยิ่งทําเป็นนอนสบายๆเนี่ยะจริงอยู่ชั่วโมงแรกอาจจะสบายแต่นอนไม่ขยับสักสาสามอาทิตย์ดูจะเป็นยังไงไม่ถึงร้อนแค่วันเดียวนี่ก็แย่แล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปถึงอาทิตย์ที่สามอะไรร้อนพันขันห้าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็มาพยายามคิดว่าถ้าเจริญตามพระพุทธเจ้าทำที่สุดแห่งทุกได้นะทีนี้เราเรามีความตั้งใจแค่ไหน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 แต่ถ้าเราปรับความรู้ความเข้าใจไม่ได้เชื่อเจริญไปเดี๋ยวก็เลิกนี่แหะคนที่สอนก็ไปคอยขอร้องเจริญเถอะมันดีนะอย่างงั้นดีอย่างางี้ก็คอยอ่อนๆกันอยู่นั่นแหละมันก็ไม่ไม่สําเร็จประโยชน์อะไรในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องที่น่ารําคาญที่สุดเพราะฉะนั้นในชั้นแรกในการศึกษาพระธรรมเราพยายามมาปรับความรู้ความเข้าใจว่า ที่สุดของการเจริญกายานุป yep. so ัสนาสติปัฏฐานอยู่ที่ไหนวิธีการเจริญมีกี่วิธีแต่ละวิธีเจริญว่าอย่างไรเจริญแล้วดีอย่างไรเจริญแล้วให้ผลเป็นอย่างไรเมื่อไรถ้าจะทําที่สุดแห่งทุกได้นี้เป็นอย่างไรถ้าไม่เจริญแล้วเสียหายอย่างไรถ้าไม่เจริญปกติเราก็เจริญของเราอยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เจริญตามพระพุทธเจ้าแล้วเสียหายแค่ไหนถ้าเราเจริญตามพระพุทธเจ้าแล้วดีอย่างไรปรับความเข้าใจตรงนี้ให้เพียงพอ เพราะโอกาสที่เราจะเจริญได้วิธีการเหล่านี้ท่านบอกว่า e เอกายโนนะ e ano, Marco, ang, เอกายโนมัคโคอายังพิคเวสเนี่ยนะเขาบอกว่าเอกายโนเนี่ยนะบอกว่าทางนี้เป็นทางซ้ายเอกเนี่ยแปลว่ามีในาศาสนานี้าศาสนาเดียวเนี่ยนะถึงลัด อ, อย่างในวงการแพทย์เขาก็พิจารณาเรื่องผมขนเล็บฟันหนังวิจัยอย่างละเอียดแต่วิจัยเพื่อวิปลาสนะเพื่อส่งเสริมวิปลาสอย่างมันก่อน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 ตลอดไปเนี่ยนะก็สนใจอยู่แค่นั้นน่ะแม้กระทั่งเรียนเรื่องโรกผิวนางเรื่องอะไรทั้งหลายแหละก็เพื่อเพื่อส่งเสริมวิปัสสอาวิชาชีพเราก็ยอมรับเลยนะว่าเป็นการเลี้ยงชีพเป็นอะไรไปแต่โดยพื้นฐานทัศนคติจริงๆก็เพื่อส่งเสริมวิปา ส, นะะ เ, ส, เ, สปาเนี่นะเมื่อส่งเสริมวิปาัาสแล้วถามว่าจบลงที่ไหนก็ชาติชรามรณาโศกปริเทวะ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 คิดดูเถอะไม่มีพ้นรูปประคันแม้แต่อย่างเดียวเกิดจากรูปทั้งนั้นเลยเนี่ยนะกองทุกข์ทั้งมวลเนี่ยถามว่านรกคืออะไรนรกก็คือที่ที่มันเตโชธาตมันมีกําลังมากวาโยธาตมันมีกําลังมากไอ้หอบดาบคมเหลาเป็นต้นก็คือปฐวีธาตมันก็คืออนุภาพของดินน้ำใหลลมผู้ใดติดข้องในดินน้ำใหลลมผู้นั้นก็ไม่พ้นจากทุกข์พันคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เจริญกายานุปัสนาสติปฐานก็คือการ พิจารณาการปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อ hoje, คลายกําหนัดเพื่อความสลัดคืนในปัทวีธาตุเพราะรู้ว่าติดข้องในปัทวีธาตุคือติดข้องในกองทุกข์ติดข้องในอาโปธาตุคือติดข้องในกองทุ ก, ก, นะทกทนะติดข้องในเตโชธาตุคือติดข้องในกองทุกใช้คําว่ากองเลยนะไม่ใช่ทุกเดียวแสดงว่ามีเยอะมีท่วมทับไปหมดเลยนะติดข้องในวาโยธาตุก็คือติดข้องในกองทุกข ทีนี้ถามว่าถ้าจะพ้นทุกข์เขืออไรก็ปฏิยเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อการคลายกำหนัดหรือสละคืนปัตวีธาตุสละคืนอาโปธาตุสละคืนวเตโชธาตุสละคืนวาโยธาตได้ถ้าสละคืนได้ก็พ้นทุกข์ได้สละคืนได้มันทำเป็นที่สละคืนของธาตุสี่จริงๆก็คือความดับปัตวีธาตุความดับเตโชธาตุวาโยธาท่านผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์คือใคร นะผู้ที่มีปัญญาก็คือรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อัศธารู้อาทีนวะแล้วก็รู้นิสรณะของมหาภูตรูปสี่ผู้นั้นจะทําที่สุดแห่งทุกได้นะนะก็มีหลักการอยู่อย่างไงในจูลนิเทศนี่บอกไว้เลยรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อัศธารู้อาทีนวะรู้นิสรณะของมหาภูตรูปสี่นะมหาภูตรูปสี่ประกอบด้วยอะไรก็ดินน้ําไฟลมใช่ไหม ดินมีเท่าไหร่ดินยี่สิบอาโปสิบสองเตโชสิวายโยหกอันนี้อนี่คือธาตุดินน้ำไหลไฟลมแล้วธาตุดินน้ําไฟลมเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชาเกิดธาตุดินน้ําไฟลมจึงเกิดนะแต่ดินน้ําไฟลมในเชื่อเหอะดินน้ําไฟลมในโลกนี่นะที่กายยาวานาคืบกว้างสอกของเรานี่แหละเราสนใจที่สุดเรารักที่สุดหวงแหนที่สุดให้ความสําคัญที่สุดไอ้ดินแผ่นดินทวีปอื่นมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน กิมหมื่นตารางใหม่ก็ช่างแต่เราไม่สนใจเท่ากับอายาวานาคืบกว้างศอกอะไรของเราเนี่ยหรอกมันก่อนภูเขาไฟระเบิดเนี่ยนะตายไปทั้งอะไรนะสัต์ตายไปทั้งหลายตัวเนี่ยนะเราก็ภูเขาไฟมันจะระเบิดขนาดนั้นเราก็ไม่สนใจเท่ากับสิวเราแตกอันเดียวรอกเนี่ยนะสิวถ้าแตกอันเดียวเนี่ยเราถือว่ายิ่งใหญ่กว่านั้นมากมายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าความสําคัญในกายภายในเราให้ความสําคัญ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 ลำดับอันนี้เป็นความเกิดของกายความเกิดของกายไม่ใช่เกิดในพบเดียวใช่ไหมกายเหล่านี้มีความเกิดในกี่พบกายเหล่านี้เกิดในนรกก็ได้เกิดในเปรตก็ได้อสุรกายก็ได้เกิดในเดรัชานก็ได้กายของมนุษย์ก็ได้กายของเทวดาก็ได้กายของพรหมก็ได้ก็เพราะกรรมเป็นตัวจำแนกให้ภูตรูปเหล่านี้วิจิตแตกต่างกันไปสุดแท้แต่กรรมถ้าดับอวิชชาตันหากรรมเหล่านี้ได้ กายจะเกิดในนรกได้ไหมไม่ได้เกิดในเปรตอสุรกายดิริชานได้ไหมไม่ได้เกิดในมนุษย์เกิดในเทวดาเกิดในพรหมโลกได้ไหมไม่ได้เพราะดับอวิชชาตันหาอุปาทานและกรรมได้แล้วทีนี้ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะดับกันได้ง่ายๆใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอัสาธะในสิ่งเหล่านี้มันสําโนลดว่ายั่วยวนชวนใจยิ่งนักที่จะทําให้ติดใจเนี่ยนะจริงนะโอ๊ยตอนฟังเนี่ยนะ ตอนฟังเราบอกโอ้ยแต่ตอนเวลาอาหารดูเธอเนี่ยชวนใจมากเลยนะถ้ายิ่งแบบอาหารที่โปรดปรานมากที่สุดเนี่ยก็เลยยั่วยวนชวนให้แหมทําใจไม่ได้เลยนะรักษาอโบสถไม่ได้ก็เพราะเหตุ น, นี้แล้วอย่างเง้ย น, นะถึงรักษาอโบสถแหมต้องรี บ, บตักตูนไว้ให้เต็มที่เลยอย่างไง น, นะเพราะเดี๋ยวตอนเย็นจะเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นที่เพลิดเพลินเป็นที่ติดใจเป็นที่ติดข้องในในรูปเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าอสสาธะของรูป พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ารูปเหล่านี้มีแต่โทษอย่างเดียวไม่มีใครติดรอกไม่รู้ใครจะติดไปทําไมใช่ไหมแต่เนื่องจากว่ามีอัศาธาเนี่แหละเนื่องจากว่ามีความน่าเพลิดเพลินนี่แหละสัตว์ทั้งหลายจึงติดถึงข้องแต่ถ้าหากว่ารูปทั้งหลายมีแต่ความน่าเพลิดเพ ล, เพลิน <ๆ S 2> ก็ไม่รู้จะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนักทําไมถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราต้องการทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิด ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราฝ่ายฝันยินดีน่าปรารถนาไปหมดไม่ได้เสียหายอะไรเลยไม่มีทุกข์มีโทษอะไรเลยเป็นไปอย่างที่ตัวเองฝักใฝ่พอใจทั้งหมดไม่รู้จะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายไปทําไมแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีโทษเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีโทษโทษของรูปมีอะไรบ้างจากขูโรโคร ต, าโรตาโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคโรค ปากโรคทางช่องปากโรคศีษะโรคคอโรคไล่ไปตรงไหนไม่มีโรคบ้างมีผู้ถามบอกว่าเออแล้วขนตาเป็นโรคได้ไหมเป็นนะนะไม่ต้องพูดถึงที่ไหนที่มันไม่เป็นมาเป็นโรคได้หมดเลยโรคกรตหนังสือเล่มหนึ่งก็บอกว่าเด็กคลอดมาแว่มีโรคติดตัวมาพันแปดร้อยโรคเนี่ยนะพันแปดร้อยโรคที่ติดมาจากแม่แล้วก็โรคไออย่างอื่นรอบๆตัวอีกต่างหากน่นะ นะก็สรุปว่าเอาจนตายจริงๆนั่นแหละเชื่อเหรอในที่สุดไม่มีเหลือเลยเคยเคยได้ยินไหมว่าเหลือแม้แต่คนเดียวไม่มีเหลือเนี่ยนะคนที่ตายกับคนที่อยู่ไหนมากกว่ากันตาย ไ, มไหมเลยไม่ไไมชาวโยมก็เล่าว่าโรคเอดอย่างเดียวเนี่ยตายวันละสี่คนเป็นอย่างน้อยเฉลี่ยแล้ววันละสี่คนบ้านเราเนะี่ประเทศไทยเราเนี่ยประเทศอื่นๆแล้วถามวาทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่าทั่วเราหายใจเข้าออกเนี่ยตายหลายคนนะ ชั่วหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยคนในโลกไม่ใช่ตายนยน้อยนะพันเราขยับตัวก็มีคนตายเยอะแยะไปหมดเลยนะนะนะตายตลอดแล้วว่าตายจุติปฏิสนธิจุติปฏิสนธิเพราะอาวิชชาตัญหากรรมในรูปอวิชชาเนี่ยคืออะไร<ม>ก็คือไม่รู้เหตุเกิดความดับอศาศท่าอาทีนวะนิสระาของรูปเรียกว่าอาวิชชาความเพลิดเพลินในรูปเรียกว่าตันหา ถามว่าถ้าจะทํากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาศัยอะไรครับก็ทําในรูปนี่แหละอาศัยรูปนี่แหละทํากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยนะเพราะนั้นอวิชาตัญหากรรมก็อาศัยรูปนี่แหละทํากรรมเพราะนั้นกรรมเหล่านี้ให้ผลไปไหนก็ให้ผลเพื่อให้มีให้มีรูปนี่แหละการเกิดขึ้นแห่งรูปเรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งชาติอันนั้ความดํารงอยู่แห่งรูปคือความดํารงอยู่แห่งชรา แห่งโรคแห่งฝีแห่งลูกศอนแห่งความลำบากแห่งกองทุกสรารพัดอย่างเนี่ยนะบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ก็ปฏิบัติเพื่อความสงบรูปปฏิบัติเพื่อความดับรูปถามว่าถ้ามีรูปกับดับรูปอันไหนดีกว่ากัน ด, ดับรูปดีกว่าเนี่ยนะก็ถามว่าแล้วดีกว่านี่ดีกว่าอย่างไรก็เก็บสติิจนเพียงพอจนกว่าคิดจะหลีกออกจริงอยู่ที่เราบอกว่าลีกลีกเนี่ยอาศัยคําสอนรอกัก เออพระพุทธเจ้าหลีกแล้วดีเนี่ยเชื่อตามพระพุทธเจ้ารอกแล้วก็วันหนึ่งเราคิดแค่แวับเดียวเองว่าเออหลีกออกนี้ดีแต่ว่าโดยระยะเวลานาทีเนี่ยนะคิดตามคําสอนอยู่ไม่กี่วินาทีแต่ที่เหลือเนี่ยติดในรูปหมดเลยสมมติว่าคิดจะออกจากรูปสักครึ่งวินาทีที่เหลืออีกกี่ชั่วโมงล่ะทั้งหมดเนี่ยติดในรูปหมดเลยแล้วมันจะออกจากรูปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไง พันจะต้องตามเห็นรูปแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบรรยายและคลายกำหนัดในรูปปฏิบัติเพื่อดับรูปผู้ใดปฏิบัติได้ตามนี้ได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะการเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกความดับแห่งรูปเรียกว่าเป็นความดับแห่งทุกรูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปไอข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความดับรูปนี่แหละที่เราเรียกว่าสติปัญญาน เมื่อกล่าวสติปฐานอันใดสัมมปทานก็ชื่อว่ากล่าวแล้วอิทธิบาทก็ชื่อว่ากล่าวแล้วอินทรีย์พระโพชฌงองค์มัคก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะถ้าไม่มีโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะครบถ้วนเอาอะไรนําออกจากรูปได้เอา้าถ้าไม่มีคุณธรรมคือโพธิปักขยธรรมอย่างสมบูรณ์ตรงนี้ยกสติปทานขึ้นมาเป็นตัวอย่างถ้ายกสติปทานขึ้นมาเป็นตัวอย่างปั๊บเนี่ยองคมัค อันนั้นแหละเป็นนิยานิกระทำเป็นธรรมที่นําออกจากรูปถ้าไม่มีโพธิปักจยธรรมอย่างเต็มเปี่ยมแล้วออกจากรูปออกกันได้ไหมเหมือนอย่างว่าไ อ, อความติดใจในรูปเนี่ยมันแหมมันร้อนแรงมากมันยิ่งกว่านี่สินอี่นะนี่สินเนี่ยแหมยังพอจ่ายคืนยังพออะไรกันได้อะนะแต่ว่าคนที่จะจ่ายนี้สินแม้กระทั่งติดข้องเนี่ยนะอย่างติดนี่ในโลกเนี้ยเอาพูดแบบโลกโลกเลยนะคนติดนี้ก็ติดนี้เรื่องอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องรูปทั้งนั้นแหละ ติดหนี้ในเรื่องรูปแม้กระทั่งจะแก้ <c oughs> ให้หลุดพ้นจากหนี้แบบรูปรูปเนี่ยนะก็ยังยังยากแล้วถามาติดหนี้ทางใจล่ะเอาเอาคุณจะทำอะไรมาชดเชยสติปัฏฐานเนี่ยจึงเป็นตัวชดเชยความยินดีในรูปพระองคก็มีอยู่สองอย่างถ้าปฏิบัติเพื่อวัตฏะก็คือตามเพลิดเพลินรูปปฏิบัติเพื่อออกจากวัตฏะก็คือปฏิบัติเพื่อความดับรูป เมื่อกี้เราสวดนะจริงๆอ่ะที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเป็นการเจริญสติปัญญาอย่างหนึ่งนะถ้าใครเจริญตามนั้นจริงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อ ย, ยังทรงพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนําสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากอันหนึ่งคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจําแนกอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยง เ, ยเอาเถอะจริงๆเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยนะเราว่ารูปเที่ยงกับรูปไม่เที่ยงอะไรมากกว่ากัน อนนะตอนสวดมนต์แล้วรูปไม่เที่ยงที่เหลือเที่ยงหมดเลย น, นะไม่กล้าไปคิดแม้กระทั่งว่าไม่เที่ยงด้วยนะกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเข้าเอาไม่กล้าคิดนะว่ารูปไม่เที่ยงนะเช่นตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกไม่เทียเ่ยงเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเป็นการแช่งถ้าเกิดมันบอดจริงจะว่ายังไงมันต้องเที่ยงสิเห็นไหมก็คือนั่นแหละพวกทงทิามมงคลมุตตะมงคลอะไรมงคลตามเข้ามาเยอะแยะ เรียกว่าไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นว่าตามเห็นโดยความไม่เที่ยงตัวปัญญาที่ตามเห็นนั่นแหละคือนิยานิกรรทัมทำที่นําออกจากทุกอันนะันข้อปฏิบัติที่นําออกจากทุกขถ้าเราติดตาเนี่ยนะสมมติว่าตามเห็นรูปโดยความเป็นของเที่ยงความเห็นอันนั้นนําไปไหนนําไปสู่กองทุกข แล้วต้องพยายามยอมรับสภาพที่เป็นจริงเสมอของรูปรูปรูปรูปรูปโดยศัพท์แปลว่าอะไรรูปบรรณลักษณะแตกสลายเราจะอ้อนวอนขอให้ยั่งยืนขอให้ยั่งยืนยังไงมันก็สลายเพราะความหมายของรูปที่แท้จริงคือความแตกสลายเมื่อรูปแตกสลายเราจะอ้อนวอนให้มันยั่งยืนมันก็สลายจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แตกสลายมันก็สลายหมายว่าถ้าเราหลอกหลอกมันก็สลาย ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงมันก็สลายถ้าเราตามหลอกรูปจุดจบอยู่ที่ไหนก็ถูกรูปหลอกที่จริงอะนะรูปเหตุใกล้ของรูปคืออะไรเหตุเตุใกล้ของรูปทุกรูปคืออะไรมหาพูดแม้มหาพูดท่านวิเคราะห์เนี่ยเขามาชอบมากแปลว่าอะไรมหาผีมหาหลอกโอ๊ยอะไรจะหลอกเข้ารูปไม่มีอีกแล้วแล้วผีหลอกก็มหาพูตรูปก็คือ หมาผีมันหลอกแล้วก็แล้วมันจริงอย่างที่ว่านี่ไหมเอาเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นไอเราเห็นเนี่ยเห็นโดยวิปลาสใช่ไหมแต่ไม่ได้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงอาแล้วจริงแท้ของเขาคืออะไรความจริงแท้ของรูปทุกรูปก็คือชาติเป็นทุกขา์าความเกิดขึ้นของรูปทุกรูปความเกิดก็เป็นทุกข์ความชราของรูปก็เป็นทุกข์ ความเจ็บป่วยเบียดเบียนบีบคั้นของรูปแต่ละรูปก็เป็นทุกความแตกทําลายของรูปเหล่านั้นก็เป็นทุกรูปเหล่านี้เป็นเหตุแห่งโศกะถ้าเราจะโศกนะเราโศกเรื่องอะไรก็เรื่องรูปนะโสกะปริเพวถ้าจะบ่นก็บ่นเรื่องอะไรก็เรื่องรูปเองนั่นแหละถ้าเราทุกข์กายเนี่ยก็เพราะอะไรก็รูปเองแหละเสียใจก็เสียใจเรื่องรูปขับแค้นใจอึดอัดใจเครียดภายในอึดอัดก็เพราะเรื่องอะไร เรื่องรูปเช่นเขาไม่ยิ้มให้เราเราก็เดือดร้อนแล้วป่วยให้ได้แล้วใช่ไหมบางคนนี่เป็นเอาขนาดนั้นนะเป็นเอามากเลยแค่เขาไม่ยิ้มให้แค่นั้นแหละโอ้ยป่วยเครียดอยู่ครึ่งวันพอเขายิ้มนะที่เหลือดอกบัวเบิกบานไปหมดเลยดอกไม้บานไปทั้งบ้านหมดเลยนะแต่ถ้าดอกไม้ เ, เขาเขาไม่ยิ้มให้แค่นั้นแล้วหอไปครึ่งวันเลยอย่างเงี้ยนะเอาก็นี่แหละอิทธิพลของรูปมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นโสกกาปริเทวะทุกโทมณตและอุปายาตก็เพราะรูปเราบอกว่าเราเจอของที่เราไม่ชอบเจออะไรก็เจอรูป พลัดพรากจากของที่เราชอบที่สุดก็คือพลัดพรากจากอะไรก็พลัดพรากจากรูปปรารถนาเราไม่ค่อยสมหวังสักทีก็ปรารถนาอะไรก็ปรารถนารูปโอ้ยติดข้องในรูปมากมายขนาดนี้นะแสดงว่าถูกรูปครอบงมแล้วตกอยู่ใต้อำนาจแห่งรูปแล้วเนี่ยนะก็คิดจะปฏิวัติบ้างไหยเนี่ยก็คิดจะปฏิวัติแล้วคิดจะก่อการกรบฏแล้วนะกบฏรูปแล้วนะไม่พักลีต่อรูปแล้ว พักดีต่อรูปขนาดไหนก็ไม่เห็นได้ดิบได้ดีเลยนะก็รู้แล้วว่าทําอย่างไรเนอะจะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนัดแล้วก็ดับรูปโอ้ยเราเป็นรูปมีพ่อมีแม่นช่ไมีสารณะมันเป็นผู้ที่มีสารณะก็ดูว่าพระพุทธเจ้าผู้ที่พ้นจากรูปแล้วท่านว่าอย่างไรท่านสอนอะไรท่านคิดอะไรเนี่ยนะเราก็ปฏิบัติเราก็คิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนคิดตามว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนําเนี่ยนำออกจากทุกได้จริง แล้วพระพุทธเจ้าปกติสมัยพระองค์มีพระชนอยู่พระองค์สอนว่ายังไง ร, รูปไม่เที่ยงแต่โดยพื้นฐานจริงๆนโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเราเราจะคิดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องยอมรับโดยสามมัญญสํานึกโดยโดยสัญญาของเราแบบเข้าใจแท้ๆเลยว่าเมื่อเห็นรูปปับชาติชรามรณะโสกาปริเทวทุกโทมัตและอุปายาตสัมประโยชนาทุกวิประโยคทุกยะปรานาไม่สมหวังก็คือทุก แล้วก็ต้องยอมรับสภาพแบบนี้โดยสามัญญาสานึกแท้จริงว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆถามว่าเราพร้อมจะคิดแบบนี้ไห ม, พ ร, มพร้อมที่จะมีสามัญญาสํานึกจริงๆแบบนี้ไหมแต่จริงๆแล้วลึกๆจริงๆเราไม่ media media. ไมีสามัญญาสํานึกอันนี้นะเอาจริงๆนะจริงๆสามัญญาสำนึกที่แท้จริงเราไม่คิดความเกิดกเ็ am, กเป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกดูจากอะไรไหมโอ้ดูเด็กน่ารักดี <laughs> ดูเด็กน่ารักดีเลยคิดนึกเออ คือถ้าคิดเห็นคาสอนได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือเราต้องแยกให้ออกว่าพื้นพื้นเพความคิดแท้ๆของเราเนี่คืออะไรตอนที่เรามีคําสอนตอนที่ไม่มีคําสอนเนี่ยคิดแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยก็ต้องมาแยกแยะว่าคิดแบบคิดตามคําสอนกับคิดนอกคําสอนเป็นอย่างไรตรงนั้นเราก็จะพอมีสารณะและเริ่มเห็นสารณะแล้วถามว่าเมื่อใดหนอเราจะมั่นคงอย่างนี้ เมื่อใดที่จะมั่นคงเห็นว่าความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นความเกิดแห่งกองทุกถ้าความดับแห่งรูปเป็นความดับแห่งกองทุกเนี่ยนะเห็นผู้ใดตามเพลิดเพลินรูปผู้นั้นห่างนิพพานผู้ใดตามเบื่อหน่ายเนคลายกำหนัดในรูปก็เป็นผู้ที่ใกล้นิพพานนั้นจริงๆตัวปฏิบัติตกลองคืออะไรคะแน่ตัวความเข้าใจตัวนี้นะคือตัวปฏิบัติความเข้าใจใช่ไหมเป็นตัวปฏิบัติ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 ถ้าวตาธรรมโมเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อดับทุกข์เป็นคําสอนเป็นไปเพื่อสงบทุกข์เนี่ยนะก็ต้องปลูกฝังสามัญยสํานึกเจริญความรู้ความเข้าใจอันนี้จนเพียงพอถามว่าเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญยังไงก็เจริญรความเข้าใจอันนี้นี่แหละให้มากๆขึ้นเนี่ยนะ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 พอไหมที่จะออกจากกองทุกข์แล้วก็มาตั้งคาถามแล้วแค่ไหนอันนั้นเาเรียกว่าเจริญความเข้าใจอันนี้จากปริตฐะเป็นมหคตะจากมหคตะเป็นอัปปามะนะจึงจะออกจากกองทุกข์ได้อะน น, นก็สัมมาทิฏฐิอันนี้จะต้องบริบูรณ์และเพียงพอแต่ว่าในบรรณามัชเนี่ยนะมันไม่สามารถเจริญองค์ใดองค์หนึ่งโดยทิ้งองค์อื่นๆได้หรอกเนี่ยนะพราะก็ จริญตามเจริญความรู <Words S 1> Spring, ้ความเห็นความเข้าใจใครที่ยังมีความเข้าใจอยู่ได้แสดงว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินะมีสมาธิอยู่ถ้ายังรักษาความรู้ความเข้าใจไว้ได้ยังรักษาทัศนคติไว้ได้เรายังรักษาความเห็นเอาไว้ได้แสดงว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติมีสมาธินะจึงรักษาความเข้าใจไว้ได้โดยปกติเนรักษาความเข้าใจเอาไว้ไม่ได้ก็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 พระผู้พุทธเจ้าไปที่ไหนก็ไปสอนไปสอนคนให้เกิดความเข้าใจใช่ไหมท่าแสดงว่าเป็นศาสนาของความรู้และความเข้าใจพระพิสูจทั้งหลายที่ไปปฏิบัติไปลีกไปเร้นไปอยู่ตามป่าตามเขาเอันนะัไปสู่ที่แจ้งไปสู่โคนไม้เรือนว่างเนี่ย น, นยะอรัญญะโตวารุขมูลุคโตวาสุญญาคโตวาเนี่ยสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เพื่อเจริญอะไร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 อุปาญาต์ไหมสัมปโยกทุกไหมวิปโยคทุกไหมปรารถนาไม่สมหวังคือทุกไหมทุกคือภูตรูปและอุปาทายรูปสามัญยสํานึกจริงๆเนี่ยเราตั้งไว้อย่างนี้ได้พอไหมอีกเชื่อหนึ่งแค่ว่าอันนีจะสัญญาอันนีจเจทุกขะสัญญาตั้งความสําคัญว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วสําคัญในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกองทุกไหมถ้าเราเห็นที่แท้จริงว่า สิ่งเหล่านี้คือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตชาติก็คือชาติธรรมโตใช่ไหมเอาวโตโตทั้งหลายเนี่ยนะชาติธรรมโตชราติธรรมโตพยาธิธรรมโตมรณะติธรรมโตโสกะธรรมโตอุปายาสะธรรมโตเป็นต้นอนนทุกขโตเนี่ยนะก็คือพวก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 ความรู้ความเห็นที่อนุวัตสอดคล้องต่อการเห็นอริยสัจแค่ไหนเราฝักใฝ่แค่ไหนหรือว่าขอนั่งซึมซึมง่วงๆวงอยู่ทุกวันต่อไปถ้างั้นก็่ <ت ص في ق> างใครก็ทางใครอะไรนะเอาไว้เจริญเมื่อวานว่าไงนะเจะริญสัมมาทิฏฐิใช่ไหมกมมามสโกมหิกัมมะทายาโทกั ม, มโยนิ ي กัมมาพันธุเออเราก็มาด้วยกรรมของเรานะเราก็จะไปตามกรรมของเรา เนี่ยนะเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผาพันธมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือผู้รับมรดกของกรรมของเราต่อไปคำที่เราพูดนี่นะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปเนี่ยนะแล้วก็กรรมเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราทำบ่อยๆก็เป็นอาชินกรรมถ้าเราละเลิกได้ก่อนตายก็เป็น อาสันกรรมกรรมเหล่านี้ถ้าทํำถ้ามันนําเกิดเรียกว่าชนะกกรรมถ้ามันไปอุปธรรมก็เป็นอุปธรมถ้ากกรรมมันไปเบียดเบียนบาปก็เป็นอุปปีและกกรรมมันไปตักบาปไม่ให้บาปมันให้ผลก็เป็นอุปคาตกรรมเนี่ยนะพันจะต้องเจริญกรรมอันนี้ให้เป็นอาจินนกรรมให้ได้ไม่รู้อะไรก็เอาให้มันเป็นอาสันนกรรมก็ยังดีเนี่ยนะก็ต้องเพิ่มพูนเหล่านี้เอาเรามีกรรมเป็นของของเราใช่ไหมเอาคนอื่นเขาก็มีกรรมเป็นของของเราแล้วเราไปป่วยกับเขาทําไม นัก็ช่วยตัวถ้าเป็นรอดเธออะไรเงี้ยนะะได้นะเอาเขาก็มาก็เอาเขาก็มาเด็กกรรมของเขาก็จะไปตามกรรมของเขาเขาก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปดีหรือชั่วก็ตามสมควรแก่กรรมของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะอ่าแล้วเราจะยุ่งกับกรรมอะไรของเขาใช่ไหมเพราะทุกคนมีกรรมเป็นของของตนกิเลสของเราสิไปก้าวไก่เขาอะนะ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 ก็ถามเอาจากว่าคุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ในใจแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นทำที่ควรเจริญก็คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยนะโดยสรุปสรุปในกายานุปัสสนาคืออะไรสกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือไม่เผลอว่ารูปประคันเป็นสุภาเนี่ยนะในที่สุดของการปฏิบัติการเจริญตัวนี้คือเพื่อความไม่เผลอว่าเป็นสุภาทีนี้ถามว่าถ้าจะให้เห็นว่ารูปเป็นอสุภาอยู่เสมอ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 ทุกขเวทนารูปปานกลางเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาพันธ์เขาบอกว่าถ้าจะพิจารณาเวทนาดูรูปเห็นเวทนาได้แล้วคิดง่ายๆว่าเห็นคนที่เราเกลียดเนี่ยนะเวทนาควรจะเป็นอะไรทุกขเวทนาถ้ารูปที่เราชอบควรจะเป็นที่ตั้งแห่งสขเวทนาถ้ารูปที่เราไม่สนใจเลยก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนา รูปทั้งหลายเนี่ยถ like ้ารูปท yeah. ี่เป็นหน้าปราถนาเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนารูปที่ไม่หน้าปราถนาเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนารูปปานกลางทั่วไปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนารูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเพราะเป็นวัตถุและอารมณ์ของเวทนาเวทนาถ้าจะเกิดเพราะอาศัยอะไรเกิด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 ไม่มีถ้าไม่มีเรื่องที่เราคิดถึงเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีความคิดเป็นต้นจะเกิดเวทนาขึ้นไหมพันเวทนานั้นมีผัสสะเป็นปจัจจัยผัสสะนั้นมีวัตถุและอารมณ์เป็นต้นกระทบกันจึงมีผัสสะดันั้นรูปจึงเป็นที่เป็นวัตถุและเป็นอารมณ์ของเวทนาเนี่ยนะเป็นวัตถุที่เกิดของเวทนาเป็นอารมณ์ของ เวทนาเมื่อตามเห็นรูปโดยอสุภะโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์แล้วจะเห็นว่าเวทนาที่เกิดจากรูปเหล่านี้เป็นสุขได้ไหมนะก็ตามเห็นเวทนาเหล่านี้เนี่ยนะเวทนาที่เกิดจากรูปที่เป็นอสุภะนี่จะสุขได้ไหมนะก็สุขไม่ได้ก็ตามเห็นเวทนาทั้งปวงทุกเวทนาทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาและทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนาว่าเป็นทุกขคือประชุมรวมลงที่กองทุกเห็นเห็นทุกขเวทนาว่าเป็นทุกขเห็นสุขเวทนาว่าเป็นวิปริณามะทุกขเห็นอุเบกขาเวทนาว่าเป็นสังขารทุกข์พันธเวทนาทั้งปวงปลว้นแต่ประชุมลงอยู่ที่ความเป็นทุกนี้ก็มาแบ่งว่าสุขเวทนาก็มีสสุขแบบจิตเป็นไปกับคาสอนกับไม่เป็นไปตามคาสอน ทุกแบบเป็นไปกับคําสอนแบบไม่เป็นไปกับคําสอนอุเบกขาแบบเป็นไปกับคําสอนกับไม่เป็นไปตามคําสอนถ้าสุขเป็นไปกับคําสอนเรียกว่าเนคขมะทุกเป็นไปกับคําสอนเรียกว่าเนคขมะอุเบกขาที่เป็นไปกับคําสอนเรียกว่าเนคขมะถ้าเมื่อใดที่ไม่เป็นไปตามคําสอนเรียกว่าอาศัยกรรมเคหสิตะเนี่ยนะอาศัยกรรมอาศัยวัตถุกรรม อาศัยกิเลสกรรมเป็นความสุขที่อาศัยเรื่องของวัตถุกรรมกิเลสกรรมเป็นความทุกข์ที่อาศัยวัตถุกรรมและกิเลสกรรมเป็นอุเบกขาที่อาศัยวัตถุกรรมและกิเลสกรรมแต่ถ้าเป็นไปตามคําสอนเป็นไปตามการเจริญกุศลรธรรมก็ไม่เป็นไปตามวัตถุกรรมและกิเลสกรรมทั้งหลายแล้วก็มาเจริญคุณธรรมเหล่านี้เราก็แยกแยะว่าความรู้สึกทั้งปวงล้วนแต่อาศัยรูปเมื่อตามเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยง จะเห็นเวทนาว่าเที่ยงมาจากไหนสำนวนว่าถ้ามีกลองผุผุไม้ตีกลองหักหักเปื่อยเปื่เนี่ยนะแล้วตีกลองแล้วเสียงกลองที่เกิดจากไม้ตีกลองผุผุตัวกลองเน่าเ่าผุผุเนี่ยนะแล้วเสียงกลองมานี่จะเป็นที่ประทับใจไหมทําไมอ่ะก็ฉันได้เพราะเวทนาก็เกิดจากรูปฉันนั้นเพราะเวทนาเป็นสิ่งที่อาศัยรูปเกิดขึ้นเมื่อ เหมือนกับว่าเวทนาความรู้สึกที่เกิดจากกลองเนี่ยนะก็กลองผุผุไม้ตีกลองผุผุคนตีกลองเกือบป่วยตาอยู่แล้วงั้นแล้วตีตุ้มออกมาเนี่ยนะถามว่าเสียงกลองนั้นน่าประทับใจแค่ไหนฉันใดเวทนาที่เกิดจากรูปแต่ละรูปก็เหมือนกันก็ตามเห็นเวทนานั้นแหละว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเคยเห็นรูปเที่ยงไหมเมื่อรูปไม่เที่ยงแล้วความรู้สึกที่เกิดจากรูปจะเที่ยงไหม ความสุขเกิดจากอะไรเกิดจากรูปใช่ไหมเมื่อรูปไม่เที่ยงความสุขจะยั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากรูปใช่ไหมถ้ารูปไม่ยั่งยืนแล้วความสุขที่เกิดจากรูปจะยั่งยืนไหมความถ้ารูปไม่ยั่งยืนแล้วความทุกข์ที่เกิดจากรูปจะยั่งยืนไหมรูปไม่ยั่งยืนเวทนาที่เกิดจากรูปจะยั่งยืนไหมผลตามเห็นรูปไม่เที่ยงจึงตามเห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยาก ไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่มันมันอยู่ด้วยความสุขหรือความทุกข์กันแน่ถึงจะสุขก็จริงอยู่แต่แม้มหาบริขารเยอะเหลือเกินกว่าจะได้รับความสุขเหล่านั้นสมมติจะมีความสุขสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาใช่แต่งรูปขนาดไหนจึงจะได้ความสุขขนาดนั้นใช่บางทีเนี่ยนะบางคนแม้ต้องการความสุขที่เกิดจากการทานอาหาร อ, อ, อร่อยๆจะต้องแต่งรูปขนาดไหนจึงจะได้ความสุขที่ได้จากอาหารอร่อยเนี่ยนะ ถ้าจะมีความสุขจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องแต่งวัตถุขนาดไหนจึงจะได้ความสุขขนาดนั้นเพันธุ์ถือว่าความความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาทุกเวทนานั้นจึงประชมลงที่กองทุกผู้ที่เจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจะไม่เผลอว่าเวทนานนเป็นสุขไม่เผลอคืออย่างสมมติโอ้โร่างกายของเรานี่สบายไม่เห็นปวดไม่เห็นเมื่อยถามว่าถ้ามัปวดเมื่อยมันเกิดที่ไหน แต่เกิดที่รูปไอ้กายอันอันเดิมนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเดี๋ยวเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เนี่ยนะอย่างใครเคยปวดศีรษะมั้งเหรตอนที่ศีรษะมันไม่ปวดล่ะแล้วปวดมันปวดที่ไหนก็ปวดที่ศีรษะถ้ามันหายปวดมันหายที่ไหนหายที่ศีรษะแล้วเผลอไหมว่ามันสุขจริงเผลอว่าสุขขเวทนาหรือทุกขเวทนามันจะเวทนาไหนมันก็ทุกขเหมือนกันนั่นแหละ อันนั้นอย่างสมมติเราเป็นคนปวดปวดปวดข้อบ่อยๆปวดหัวข้อบ่อยๆเนี่ยนะปวดตามข้อต่อบ่อยๆเนี่ยนะเวลาที่มันสุกกระทุกเนี่ยมันเกิดที่ไหนมก็เกิดที่แหล่งเดียวกันนั่นแหละแล้วปวดฟันกับไม่ปวดฟันมันเกิดที่แหล่งไหนก็แหล่งเดียวกันคือที่ฟันถ้าเมื่อยคอเมื่อยต้นคออยู่ที่นะแหล่งก็อยู่ที่คอนั่นแหละถ้าเมื่อยหลังอ่ก็อยู่ที่หลังแล้วสบายอ่ะก็อยู่ที่หลังเพราะฉะนั้นอยากไปเผลอก็แล้วกันว่ามันสุกแต่โดยทั่วๆไปจะเผลอ พอทุกข์กนะ็หวังเมื่อไรนะเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ไปบ่นให้หมอฟังเลยไม่เป็นอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนมันดีกว่านี้เยอะใช่แล้วเนี่ยนะต่อไปมันจะเป็นหนักกว่านี้อีกอย่างนั้นนะแบบหมอพูดอย่างนั้นแทบปิดคลินิกเลนะหมอเขาไม่พูดอย่างงั้นนะแต่ว่าแต่ถ้าพูดให้ตรงๆเราบอกวันนี้นะมันดีคนก่อนนั้นหนักกว่านี้อีกเนีย่ยนะต่อไปคุณจะเป็นหนักกว่านี้ไปเรื่อยๆมันไม่มีดีขึ้นหรอกเนี <S <S ่ยนะ ถ้าว่าตามเป็นจริงแล้วมันเป็นนี้มีแต่ทุกข์ในที่สุดก็บอกว่าถ้ายุ่งมากนะคิดตรงไหนมันก็ทุกข์ตรงนั้นเชื่อะคิดถึงหัวก็ปวดหัวคิดถึงคอก็เมื่อยคอคิดถึงตาก็ปวดตาคิดถึงจมูกก็ปวดจมูกคิดถึงฟันก็ปวดฟันคิดถึงต้นคอก็เมื่อยคอพูดถึงแขนก็เมื่อยแขนพูดถึงขาก็เมื่อยขาพูดถึงเข่าก็ปวดเข่าพูดถึงหลังก็ปวดหลังโอ้ยพูดตรงไหนก็ปวดตรงนั้นไปหมดเลยทําไมมันเป็นขนาดนั้นเนาะอ้าวเพราะว่ารูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่ง เพราะฉะนั้นผู้ใดสวยสุขเวทนาก็อย่าเผลอว่าเป็นสุขจริงๆเข้าละเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ในที่สุดก็นำมาซึ่งความทุกข์ถ้าเราตามเพลิดเพลินในเวทนาว่าเวทนาเป็นสุขเนี่ยเป็นสุขเนี่ยจบจบด้วยอะไรจบที่ไหนโศกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาถ้าตามเห็นทุกขเวเห็นเวทนาโดยความเป็นทุกข์ละ เป็นไปเพื่อล่วงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัปและอุปาญาเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์จะต้องมาเอเวทนามันก็คือเวทนาอย่างนั้นวันยังค่ําจะเมื่อใดรูปก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาแต่ทีนี้เมื่อเวทนาเหล่านี้จะเป็นที่ตั้งแห่งวิปัสนาหรือจะเป็นที่ตั้งแห่งโลภะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินหรือว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายเวทนาเหล่านั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งนิจจาวิปลาสความเอ สุข่าววิปปล่าสำคัญว่าสุขหรือเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานุปัสนาเวทนาทุกเวทนาของเราเนี่ควรเป็นที่ตั้งแห่งวิปปล่าหรือควรเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานุปัสนาดีอันนะขอให้จริงอย่างที่พูดเธอขอให้จริงอย่างที่คิดเอาจริงอย่างที่พูดกับจริงอย่างที่คิดไม่เหมือนกันนะขอให้คิดอย่างที่พูดแปลว่าป๊อเจอตอนเวทนามันเกิดมันไม่ได้คิดอย่างงี้ง่ายๆหรอกป๊อป เวทนาเนี่ยต้องไม่เผลอว่าเวทนาทุกเวทนาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์แล้วก็ตัวมันเองก็เป็นทุกข์ด้วยแต่วิปลาสบอกว่าสุขเมื่อก่อนไม่ทุกข์อย่างนี้ต่อไปน่าจะสุขนั้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะมันทิดนึกถึงหัวถึงท้ายเลยเมื่อก่อนมันสุขต่อไปจะต้องสุขอีกสิเนี่ยนะมันก็คิดอย่างเงี้ยคิดหัวคิดท้ายอยู่อย่างเงี้ย ป้าจานายรับรองว่ใช่เลยพราะเวลาทุกข์ขึ้นมามันแหมเมืม่อก่อนนะสบายต่อไปจะต้องสบายอีกแต่ตอนนี้รู้ว่าทุกข์แต่หวังว่าจะไม่ทุกข์เช่นนี้ตลอดไปแต่ถึงไข้ครวรแบบนั้นอยู่บนพื้นฐานวิปลาสเสมอจะไม่อยู่บนพื้นฐานของเวทนานุปัสนาโอ้สุขเวทนาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่ามันไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ควรหรือจะตามเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็น อัตราของเราแล้วทุกขเวทนาที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันไม่เที่ยงก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้เป็นทุกข์อย่างนี้นะแต่นี้อาศัยปัจจัยปรุงแต่งอาศัยรูปที่มันไม่เที่ยงนี่แหละก็ก่อให้เกิดทุกขเวทนาเวทนานี้ไม่เที่ยงอ า, อาศัยปัจจัยปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาในที่สุดก็เสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะวัตถุเป็นต้นเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะแล้ว ถ้าทุขเวทนาเหล่านี้ดับไปสุขเวทนาก็เกิดขึ้นเวทสุขเวทนาที่จะเกิดต่อไปมันก็ไม่เที่ยงเวทนาที่อยู่ในภพใดแห่งหนใดเวทนาเหล่านั้นทั้งมวลล้วนแต่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขหรือเป็นสุขเล่าก็เป็นทุกข์ท่า น, นพระองค์ก็บอกว่าให้พิจารณาเห็นเวทนาเหล่านั้นทั้งหมดนั่นแหละทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประณี๊ ใกล้กลเนี่ยนะเธอควรเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซหมามะสมินั่นไม่ใช่เราเนโซเมอัตตาตินั่นไม่ใช่อัตตาของเราแล้วตามเห็นว่าอะไรก็ตามเห็นว่าจะเวทนาเมื่อใดเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่นั่นแหละควรแล้วที่จะเบื่อนายไม่ใช่เพลิดเพลิน ใครเคยตั้งความปรารถนาบอกขอให้ข้าพเจ้าเบื่อในเวทนาทุกเวทนาพอกันเห็นสุขเวทนาหน้าเบื่อเท่ากับทุกขเวทนาเห็นอุเบกขาเวทนามันหน้าเบื่อแล้วก็เบื่อนายและคลายกำหนัดเคยตั้งใจไว้อย่างนั้นบ้างไหมถ้าตั้งไว้อย่างนั้นก็ดีนะต้องแบบคือคือมันต้องมีสามัญจะสานึกว่าเราจะต้องแบบเบื่อนายและคลายกำหนัดในเวทนาเหล่านี้จนได้ถ้าใครตั้งไว้แบบนั้นจริงก็เลือกตั้งไว้เพื่อเจริญเวทนานุปัสนาเห็นเวทนาสามมีค่าเท่ากัน เห็นเวทนาะทุกเวทนาว่ามีค่าเท่ากันในความไม่เที่ยงเป็นทุกและเป็นอนัตตาเพราะเวทนาจะเกิด rem. ทีละเวทนาขณะที่เสวยสุขก็ไม่ใช่เสวยทุกและอุเบกขาขณะที่เสวยอุเบกขาก็ไม่ใช่เสวยสุขและทุกขณะที่เสวยสุขก็ไม่ใช่ ท, ท, ใชทุกและอุเบกขาแต่เวทนาเหล่านั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไ ป, ไปเสื่อมไปค<ป>ลายไปดับไป แปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะมันก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในเวทนาเนี่ยนะแต่เชื่อไหมโดยมากสัตว์เนี่ยปรารถนาความสุขที่มีทุกข์อยู่ก็ขอให้ท้นทุกข์ที่ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจากรูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอารูปมันก็ไม่เที่ยงไงแต่ปรารถนาให้เวทนาเป็นของสุขและยั่งยืนจะเป็นไปได้ไหม จึงเป็นไปไม่ได้เพราะพระองค์จึงสอนเพื่อออกจากทุกขนะคําสอนจึงเป็นคําสอนที่เรียกว่านิยานิกระทำเป็นคําสอนที่นําออกจากทุกเนี่ยนะฟัะถ้าผู้ใดติดข้องในเวทนาจบที่ไหนกาจบที่ทุกเนี่ยนะถ้าเอเอเขาบอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้เจริญเวทนานุปัสนาเนี่ยนะเมื่อสุขเวทนาครอบงําโลภะก็เกิดเต็มที่ราคานุสัยก็เอาเรื่องเลยนะยกกําลังใหญ่เลย ถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นปฏิคานุสัยก็ตามครอบงำถ้าหากว่าอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นอวิชานุสัยก็ก็ท่วมทับเนี่ยนะถ้าราคานุสัยเกิดนะมันไม่อยู่แค่ราคะเท่านั้นมันตามด้วยทิฏฐิและ ม, ะมานะนะมานานุสัยกับทิฏฐานุสัยถ้าอาวิชาเกิดขึ้นมันหยุดอยู่แค่อวิชามั้ยตามด้วยวิจิกิจชาและและอะไรตามด้วยวิจิกิจชาและ อุทธะจะเออไม่ใช่ตามด้วยอวิชานุสยัยวิจิกิจานุสยัยอ่ะใช่ก็จะตามด้วยอนุสัยทั้งหลายเพันถ้าหากว่าเจริญเวทานานุปัสนาเจริญทุกขานุปัสนาถูกต้องละปฏิคานุสยัยถ้าเจริญสุข เ, เจริญเวทานานุปัสนาในสุขเวทานายอย่างถูกต้องจะละราคานุสยัยทิฏฐานุสัยและมานานุสัยได้ถ้าเจริญ เวทนานุปัสนาในอุเบกขาเวทนาอย่างถูกต้องจะละวิจิกิจฉานุสัยพร้อมทั้งอวิชานุสัยเนี่ยนะพันธะเจริญเวทน า, าพิจารณาสุขเวทนาโดย อ, อนุปัสนาอย่างดีเนี่ยจะสงบราคะสงบโทสะและสงบโมหะจากเวทนาได้เวทนาเหล่านี้จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะและโทสะโมหะอีกต่อไปเนี่ยนะก็จนกว่าจะว่าเป็นผู้เย็นนะนะดับดับ อนุสัยดับชันธราคะดับมานะเป็นต้นที่เกิดจากเวทนาได้ถ้าปฏิบัติตามนั้นได้ก็สงบจากทุกได้เนี่ยนะก็สงบจากทุกได้แต่ก็พยายามตั้งตั้งใจไว้ว่าจะเจรพิจารณาเห็นเวทนาเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นว่าเป็นเที่ยงเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นว่าเป็นสุขตามเห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดสละคืนนะนะ ถอนความยึดมั่น